วันทำการะควรมีมข้าวมลี้ปงพิธานอาทิตย์แต่อาิษย์นี้ไปพิศนุหรวงก็มีงานวิสาขะนะฮะแต่ันนี้นไปวันที่24นะข้านาเ น, นี้ก็เป็นมานวิสาขบูชา จะเป็นสิ่งที่เราก็ทำดีๆถูกๆและมีตานาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเพียรทําไปก็จะเป็นสิ่งที่เราก็ทําได้นะทำได้ท้ายทายสุดเราก็ทกํทาได้เพราะทาได้ก็เกิดผลขึ้นมาแต่ว่าในขณะที่เรากาลังเดินอยู่บนเส้นทางของการตาดทาก็ดีตรงนี้เนี่ยเรียกว่าผลของการกระทําก็มีให้เราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็คือเราก็ไม่ต้องเรียกว่าอย่างรูปแบบเดียร์ที่ต้องบอกว่า ไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอะไรพอเราเหมือนเราทําดีมันก็ดีแล้วล่ะใช่ไหเราทำดีก็เป็นเรื่องดีละจะส่วนผลของการทําดีตรงนั้นบางทีเราจะบอกว่าทำอย่นั้นได้อย่างนั้นได้อย่างนี้อะไรเงี้ยบางทีจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคิดบางทีมันก็ไม่ครอบคลุมผลของการเราทำทั้งหมดดั้นก็คือตรงนี้นะว่าบางทีด้วยกันอยากได้อยากเห็นอยากเป็นแบบมีเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นกรอบ แล้วตัมัเป็นกรอบที่ตอนจำกัดเลยกว่าจำกัดผลอันกว้างใหญ่ไพศาลของการทําดีแล้วนั่นคือวิลทีล้วก็เหมือนกับคิดได้เท่านี้เนาะก็อยากเท่านี้เลย่าเงี้คิดได้แบบว่าเท่านี้ก็อยากมีเท่านี้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าที่มันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรต่า ง, างๆตรงเนี้ยเป็ น, นาการปฏิบัติธรรมก็จะเป็นสิ่งที่ขมาอยากมีอยากได้เนาะ อยากปอยากเป็นอยากมีทั้งหลายอะไรอยาอยากอยากเพราะว่าทุกคนสเนาะเมื่อเราเมื่อเราอยากเนี่ยเรากำจะได้ตามจากสมอรลยเนาะเมื่อไหนที่เราอยากเนี่ยจะได้ตามอยากเสมอเลยเพราะฉะนั้นก็คือมันเปนตรายอยู่ในการนั้นว่าพอความอยากมันนานไปปุ๊เนี่ยเราก็ได้รับได้เรีนว่าได้เราได้รับผลเนาะตามความอยากเลงทันทีซึ่งผลของความอยากเนี่ย มันก็กนปราสังเกตุไปทั้นก็เราร้นใจนะนั่นใ น, ใ น, นี่คือตรงนี้ว่าเราทำไปเถอเรื่องดีๆนะทาไปเลยนะทำาปเลดีก็ดีแล้วละอย่างเงี้ยก็จะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้ผลตอนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่กว้าแให่ไพาลมากๆเลยพราการที่เราอยากได้รัมีต่างๆตรงนีนะ้มันก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าปุกปั่นอยางนำหน้าแลวเราก็เหมือนกับคล้ายๆว่หลน หลงทางของความอยากไปแล้วต down, ันก็ไปพอต่ำเขไปมันก็ผิดทางฉะนี้ผิดทางไปพระสิทธ์ที่พรยเจ้าตรัสลงวินะพระเจ้าก็บอกว่าเป็นอิสระนะวอิสระจะเป็นอย่างอิสระจะค้ามอยากเพราะนั้นนี่คือตรงเนี้เราก็เป็นสิ่งที่เราปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าทำเราก็เรียกว่าทำตามคําและนําของพระเจ้าเราก็เรียกว่าปฏิบัติ สิ่งที่ตรงนี้ก็สำคัญก็คือเราเอาคําสอนมาทำเอาคาสอนมาทําเมื่อทําแล้วเนี่ยเนาะก็ต้องก็เรยกว่าต้องทําำได้ด้วยนะต้องทำํำได้ด้วยเพราะว่า น, นั่นคือพอเราบอกว่าปฏิบัติทำปุ๊บตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าอยู่ในกระบวนการของการหาอยู่ในกระบวนการของการหากักแล้วก็เมื่อหักเนี่ยเพียนหักไปหากไป สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะทาได้ที่สุดถ้าหเราเพียนตรงนี้ไม่ลดลนั่นก็คือตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมกว่าในการสวดเราใช่คู่แห่งบุรสี4คู่นับนับเรียกว่านับได้8ดอ่ก็คือ1นเนี่ยก็คือผู้ที่กาลังเดินอยู่นับสอผู้ที่ไปถึงแล้วอย่างงี้ยการมี2คู่นีงก็คือ หนึ่งคู่คือหนึ่งคนที่กำลเดินหนึ่งคนที่ไปถึงนั้นใช่ไหมก็จะเป็นขั้นไหนตามขั้นโซดาบัตขั้นสิ่พันขั้นนี้อนาคั้ี้อะไรต่างๆนาล่านี้แล้วก็จะเห็นบนเส้นทางมันจะมีคนเดินต่อไปถึงไปถึงเส้นชัยเส้นที่หนึ่งเดินกันนถึงเส้นชัยเส้นสองถึงเส้นชัยเส้นที่สามตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าการเดินทางตรงนี้ก็ไม่ใช่การเดินทางที่ต้องถึงเส้นชัยแล้วถึงจะได้อะไรสักอย่างก็ไม่ใช่ แต่ว่านตรนั้นก no, ok? ็คือเมื des des ja ่อเราได้เริ่มเลยบนเส้นทางนี้ก็เรียกว่าเราเข้าสู่เส้นทางนะที่จะไปถึงจุดหมายแต่ทางแล้วเราก็ได้รับผลนะของการไม่ทบเนี่ยเป็นระยะซึ่งตรงนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งดีเรียกว่าให้เราเนี่ยได้ค่อยๆเรียนรู้ได้ค่อยๆมองเห็นผลเป็นระดับเป็นระดัตรงนี้จะเป็นสิ่งที่สำคัญทางดุลพินีเนี่ยก็การสอนเป็นุลพินีเนี่ย ก็จะเป็นการสอนเยี่ยว่าเป็นการสอนแบบง่ายๆเนื่องจากหนูขั้วเทียมก็เป็นโยงเนาะเป็นโยงการอ่านคำแล้วก็ในรูปคำถึงคำที่มาเมื่อในรูปคำถึงคำภาษาที่อยูขั้วเทียมสอนก็จะเป็นภาษาที่ไม่ได้ซับซ้อนเนื่องจากว่าหนูขัเป็นผพูดไทยได้น้อยเนาะเราก็ต้องการกรองการกรองภาษาออกมาให้มันคิดว่าง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ซับซ้อนที่สุดเมื่อเรคําสอนของขั้วเทียมเนี่ยก็จะปลายเป็นคําสอนที่ ความต้นต้นแนะนให้เราปบัติทแบบไหเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แบบตรงก็ไเลยในนาทีเช่นน้อเหลวงพตใช้ธรรมะรู้สึกตัวเนี่ยพระอาจารย์ก็บอกว่าสติเนี่ยเป็นแม่ของคำทั้งปวงความรู้สึกตัวคือตัวสติตัวนี้อย่างเ้ยแต่ว่าหลวงพ่อใช้ธรรมะรู้สึกตัวหรวงพ่เตยในนาทีสองเนาะวงพ่อเต็จะมีโอกาสไี่ไปสอนสิงคโปร์อย่างเงี้ยคนก็ไม่ค่อยว่า พูดภาษาพูดภาษาหลวงพ่อเตีนก็พูดภาษาเข้าไม่ได้นะครับงเงี้ยในี้วิสิ่งที่หลวงพ่อเตีนสอนก็หลวงพ่อเตีนก็จะเริ่มต้น จ, จากการที่จัดมืลคนแล้วก็เราขยันมือถามควารู้สึกมือเนี้ยรู้สึกอย่างเตรงนี้ยนี่ก็คือสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่เราต้องถามใครไหมเวลาใครมาจับมืลเราคือย่างเนี้ยเริ่จับ รู้สึกรลต้องถามใครมาว่เะรู้สึกยังอะไรงีก็มคถามเนาะเพราะว่านั่นคือณตอนนี้เามีการเราเปกจับมือยเนาะเราก็มีการมีการเคลื่อนไหวมีการถูกจัดสรรในดันกันตรงนี้ก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่านีคือการสอบถมเนาะที่ก็เรียกว่าดูเหมือนแต่ว่าเไมมันถึงได้มีเท่านี้เองแต่ว่าน่หลัก็คือเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ หลังจากที่ได้เหมือนกับคําผิดคําถูกกันมาท้ายสุดสิ่งที่คุณอาจารย์สอนก็คือสิ่งที่อะสิ่งที่มันก็เรียกว่าเคยเรียนเคยจิตภาพมาแล้วเคยมงมาแล้วเคยอะไรต่างๆเนี่ยออกไปทั้งหมดก็จะมาทั้งเหลือสิ่งที่ก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ตรงแล้วก็เรียกว่าชัดเจนที่สุดความรู้สึกตัวตัวนี้เนี่ยหนูก็คำเขียนก็จะมี ในกว่ามีสิ่งที่หลวงพาอก็เคยสอนคำเร่องความรู้สึกตัวอย่างนี้เนาะหว่อก็ถามเอ้วยบอกว่าเออท่านอาจาร์ที่มีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยเราจะไปม่างไก่ไหมถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยใช่เราจะไปทำงายฝายหรือเปล่าอย่างนี้นะอย่างน้คือตรงนี้นะ่าไม่ว่าจะเป็นการว่าก็ดีการทำนายก็ดีแต่ที่คือการที่เราเริ่มลงมือไปเมื่อเริลงมือไปก็ต้องเกิดผลเนาะ ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆเลยก็คือความเกิด เ, เ kh u, kh u นื้อล้อใจของผู้ผู้ทำคือเวลาที่เราว่าใจรเราเลยสังเกตเลยว่าเราไม่สบายใจเวลาที่เราทำร้ายใจก็เกิดสังเกเราไม่สบายใจตรงนั้นเสียที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่สบายใจเนี่ยนั่นก็คือทุกข์ที่เกิดขึ้นความเกิดเนื้อล้อใจที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มไม่รู้สึกตัวจากการที่เราขาดสตินะ ขาสติตรงนี้ไปนานผู้อื่นเขาขาสติตรงนี้ไปทงลายผู้อื่นเขาเพราะนั้นอันนตรงเนี้นะก็คือสิ่งที ury, in do, ่การปฏิบัติรรมก็คือการหัดให้มีสติน้องกับสิ่งต่างๆนานาที่เราทําหัดให้มีสติกับสิ่งตมางานที่เราทําตรงเนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าต้องหาดกันเพราะเรื่องแบบว่าเราเนี่ยทาสิ่งต่างๆนานาจะปมีอยู่สองอย่างก็คือหนึ่งก็คือน้ำใส่ทัดยาแต่ทัด แบบคิวก็จิมนาเวงก็นอนนั่นก็เป็นเสร็จพัฒนาที่เป็นแล้ว2เนี่ยเราในเวลาที่ผ่านมาแต่ได้ตรงตรงกนี่ยเราจะทาตามไปตามความอยากเปใช่มฮะก็คือทำไหลไปตามคาอยากใครชอบเนางจิงมหวานก็จะติดความหวานไปใครชอบอย่าอย่างนี้เนยก็จะไหลไปตามความชอบตรงนั้นไหล็ปตามความอยากนเพราะนั้นคือตรงเนี้ยชีวิตเราก็จะดำเนินอยู่บนสายพัฒยากันหนึ่ง แล้วก็ความอยากนําไรเพราะเป็นอย่างนั้นนันก็เลยว่าสติที่มีเขาไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไม่เคยได้ถึงเลยเะว่ามันเราก็กินได้นะครัเราก็ไปตามความอยากของเราได้เราก็ได้รับผลตามความอยากของเราตลอดมาแต่ว่าสติเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นเราไม่ต้องเหมือนกับไม่ค่อยได้เนใช้เขาเพราะฉะนั้นคืออย่างนี้ว่าเราถึงได้ต้องมาหับการหักปฏิบัติธรรมเราเพื่อห้กให้เรามีสติ เรามีสตินี่หลวงพเพียนก็หลวงก่เพียก็แต่ก่านบวกมาเลยว่ถ้าเราหักปฏิบัติรรมนยสิ่งที่เราควรทาก็คือหักกับชีวิตประจาวันเราเลยเพราะเรืแว่าในกายปาเราก็ควรจะต้องมีธรรมะเนาะประกอบกับชีวิตของเราจะเป็นชีวิตไปบครอบกับธรรมะไปเลยนั่นถือว่าเพียรก็มากเลยถ้าเกิดว่าทําเนี้ยหัดไปพ้กับมีการเคลื่อนไหวไปเนาะ มีสติไปกับการเคลื่อนไหมวของร่างกายมีสติในการเคลื่อนไหวของร่างการตรงนี้นีครก็คือเราจะเห็นกับว่าได้เรียกว่าได้มีโอกาสทานสติในทั้งนอนทั้งว่างนั้นอยู่ตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้บุญประการเราไม่ต้องอั้นข้าวอะไรเป็นพิเศษไม่ต้องอะไรยังไงต่ตามนั้นนะแต่ว่าเราฝึกไปต้อนจัดการเคลื่อนไหม่แต่ว่าการเคลื่อนไหม่ตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อกัลเชต์ก็บอกบอกว่า บีงทําเลขเนาะต้องมีสูตรคูณสูตรคูณนก็จะช่วยทำให้กาเลขง่ายขึ้นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเรางวัฒนเทียก็ออกแบบการเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวที่ทเรียกว่าการเคลื่อนไหวสิ่งิลใจหมอกเนาะสิ่งศิลใจหมกการเคลื่อนไหวมีการหยุดในการเคลื่อนมีการหยุดเนีเมื่อหยุดป <oto> ุ๊บมามีการเคลื่อนเราก็จะรูว่มีการเคลื่อนมันก็จะมีการเคลื่อนเป็นซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเท่ากับการเคลื่อนก็มีการหยุดแต่ว่าชีวิตเราเนาะ เวลาที่เราเล่ถึงแต่เช้าจนเย็นนะการเคลื่อนไหวมันจะต่อเนื่องไปเลยไม่มีการหยุดเลยนั้นคือความทไม่มีเบรกเนีเราจะไปจับความเคลื่อนไหวตรงั้นก็ยากนะอย่างนี้ว่าการออกแบบเรียกว่าสูตรคูนอันนี้ก็คือการออกแบบที่มีการเคลื่อนมีการหยุดมีการเคลื่อนมีการหยุดเป็นระยะเครับเพราะฉะนั้นคือตรงนี้นะทวกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวทุกครั้งที่มีความเคลื่อนไหวเนี่ยเราไปได้เจอเส้นติดผ่านความเคลื่อนไหวตรไป ตรงนี้มันกาจะทำให้ผมเป็นทั่วกับชีวิตประมานของเราได้ง่ายขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยได้เอานะก็เลยว่าผลของการปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์เนี่ยมาสรุปเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เดินปัญได้งายขึ้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นใครเป็นอะไรก็ตามตั้งแต่สมัยผู้เป็นอาจาเองนะอาจารยเองเขาคำติดคำถูกออกจากบ้านมาห6ปีชนได้แล้ว สิ่งที่พระเจ้าบอกว่าผู้นี้่งทางนี้นะใช่ไหมแบบว่าองค์นี้แบบว่าเราก็อยู่ในวันสุขสมันใช่ไหมมาท้งานก็เห็นุ้มทุกพอออกมากันมาก็เคยสุขสมมาบ้างแล้วก็คือว็าทรมานจนสั้งนะไม่ได้เต็มที่เลยปรากฏว่าธรมานจนได้เต็มที่แล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นทางที่ตนทำอีกเพราะฉะนั่นคือตรงนี้พระเจ้าบอกว่าเป็นทางสุดโต่งทั้งสองทางก็คือสิ่งที่พระเจ้าองเนียได้ผ่านมาในตนั้น สวยสุดเนี่ยเป็นที่ก็เคยในฐานะของเจ้าพญาอานกษัตริย์หรื อ, อว่าการที่เเรียกว่าอืทําให้ร่ากายทุกอย่างที่สุดตอนที่อยู่กับปัจจารบพีตรงเนี้ยน้องเป็นสิ่งที่เหมือนกันก็ได้ลองมาแล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยพุทธเจ้าก็าได้สรุปเอา้เลยว่าสองอย่างนะ้ย่าไปคล้องแวะเลยเนาะพวกเราถ้าเราไปคล้องแวะหรือเนี่ยนะมันก็สองที่ติดหางเพราะฉะนั้นคือการมา ดังเงินชีวิตตปะมำวันเียเนาะผ่านการพูดผ่านการคิดเนาะผ่านการทา ง, งานเนาะผ่านการแบบหาสมาธิทาการฝึกสติตาตา้านอะไรเนี้ยทุกประาสรอมาเป็นอธิยมมีองแหนก็คือรูปแรกเป็นสิิ์ที่เราสามารถทำได้จริงๆในชีวิ ต, รตประจวันทานเลยการพูดจาของเราเนาะเราพูดเนาะอย่างเงี้ยรพูดอะไรได้บ้างเราพูจาดจนะไร ก็เรว่าสรแทนให้เราเรามีพูดหยาบไหพูดหยากไม่สมควรนะเพราะว่าพูดหยาบจะทาให้ถึงเราใจมีพูดโกหไหพระทบอกว่าพูดโกก็ไม่สมควรนะเพราะว่าทาให้เราเด่นราอูใจพูดเท็จมีไหมมีนะในเรื่อตรงนี้ก็อย่าทำเลยนะเพราะว่านะครับไม่ให้เราเด่นในรารูใจหรือว่าพูดส่อเสียบนีะพระพุจ้ก็บอกว่าถ้ามีการอยู่ก็อย่าทาเลยนะมันถึงเรารู้ใจเพราะนั้นคือตรงนี้ สิ่งที่เราพูดคือพูดเรื่องดีๆเนี่ยที่ไม่ใช่เป็นเรื่องเสาะเศษไม่ใช่เป็นเรื่องคพลเจไม่ใช่เป็นเรื่องคำหยากไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นการพูดโกหกตรงนี้คุณท่าก็ได้ระบุได้แล้วธรรมนานเวลาที่เราพูดกันวันวานของเรไม่ค่อยได้หนันแยงแยงนะเม่อีคําพูดของเราคืออะไรอะไรอไรแต่คํำสอนของท่านเนี่ยเป็นคําสอนที่ละเอียดละเอียดมากๆละเอียดที่ช่วยลงให้เราเนี่ยได้ชัดเจนกันหรือว่าอย่างที่มีนาที่เรา ก็เลยว่ามีทุกทางายเนี่ยพระเจ้าขเนาะแยกแยกให้เราว่ามีไหที่ภูเขางเนี่ยเป็นสิ่งที่เราแบบตาถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นมันเข้าไปพุ่อยากได้อะไรไม่ไม่ไม่ได้ใช่ไเนี่ยใช่เลยเนาอย่างเงี้ยหรือว่าะสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่ที่พอใจก็เป็นุที่ยิ่งตาถนาสิ่งใดไม่สิ่งนั้นกับะสบกับสิ่งไม่เป็นที่นักที่พอใจบทีก็เป็นทร้อกัน อันเดียวเดิมแต่พระเจ้าก็แยกแยกให้ยราแยกแยกใเาน่ามีมากแบบนี้เพราะนั้นคือธรรมะที่พระเจ้าแยกแยกแยกให้เป็นธรรมะที่เราจะได้เห็นอะไรเมื่อในชีวิตปรตจำวันของเรานี่เราหลงใหสิ่งต่างๆนนนี้เข้ามาครอบคองจิตใจเราเราเผลอไปคาดหมายมุ่เผลอไปคาดหมพวเนี้ยพบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่ี่าอิากใจเราก็เป็นทุกข์จะบอกวาเรา้าดหมายจะได้เจอจะไม่ได้หรือนะหรือบาง แบบผสมกับสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะรากมากับสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ีกเจอแเจอไหมไม่เจอก็เป็นทุกข์นะเจอแล้วบบ้าหลุดหายไปอีกก็เป็นทุกข์อีกอะไรอย่างนี้นั่นคือตรงนี้นี่คือสิ่งที่เรารว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยได้ชี้เห็นมาว่าต้นตอของความทุกข์ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนั้นคือถ้าหากเาเรน้ต้นตอของความทุกข์เนี่ยจะเป็นคล้ายกับหลวงพ่อทุ่เขียนบอกว่า ถ้าเราเห็นงูเนี่ยงูมันจะกัดเราใช่ไหมเนี่ยคือถ้าเราเห็นงูเนี่ยครับเรานี่ยเราเป็นคนที่ยังซักใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยงูนก็จะกัดเราแน่นอนอย่างเงี้ยนั้นคือตรงเนี้ยถ้าเรารู้ว่าทุข์มัอยู่ตรอไหนเนี่ยเราไม่เดินก็ไปหาเนี่ยมาลอไปเราก็ไม่ถูกเพราะนั่นคือตรงนี้ยเรบสิ่งที่รู้จักฝัมเนี่ยรู้ไหมล่ะว่าทกนัอยู่ตไหนถ้าหาก่าเรารู้ชัดเจนว่าุกข์อยู่ต่อไหนก็อย่างที่รู้จาได้แยกแยะออกมา เกิดเพราะความคาดหังเมื่อเกิดความคาดหวังเราจเจอสิ่งที่ไม่ไม่คาดนะไม่ได้เจอสิ่งที่คาดอะไรต่างๆนานานี้กรลงอยางแต่สิ่งที่เราลองนเราเอาธรรมะองธเจ้ไปแยกแยกดูเวลาที่เราไม่สบายใจเวลาที่เราเดือดเนื้อร้ใจเราลองดูว่ามันเป็นเพราะเหตุนี้จริงหรือ่านั่นอธรรมะของพธจเนี่ยจะครอบคลุมเรื่องพวกนี้เรื่องชีิตังหวะของรานี่ห แต่เามื่อก่อนไม่มีพันที่มาลงไลอยู่ให้เราแบบนี้เมื่อมีใารลงไล่ก็จะยังไม่พอเพระเจ้าจะงบอกวิธีที่จะพาตัวเราเนี่ยออกจากตรงนั้นได้ด้วยนั้นคือตรง น, นี้พระพเจ้าบอกมาถ้าเรารู้ว่าทุกเนี่ยมาอยู่ตรงไหนเนานะพระเจ้าก็เยังถามว่ า, านิสายเดชของความทุกตรงนั้นหลมาเป็นยังไงกันรย่างนี้นนะนั่นคือตรง น, นี้ว่าเรานะมีทุกเพราะว่าสิ่งที่เรารู้ว่า าเปลี่ยงาจะที่แการเกิดการเจ็บปาก็ดีตรงเนี้ยพระเจ้าบอกว่รน้ทุกคนแต่งันทางนั้เนี่ยไม่มีใครหนีได้หรอกเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยน้งรักเราก็ต้องหยากักนยังไงก็ตามมีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายธรรม้าธรราเนัะทุกคนแต่งไม่มีใครเย่นเี้เพราะฉะนั้นก็คือเรื่องทุกทางการก็แบบจอกลกสัเมาหอรลักะจะไปคิดว่าทำไมต้องเป็นเรานาะอย่ี้ยทำไมต้องเป็นเราเราก็ต้องไม่ตายรอย่างเงี้ยใช่ไมหรือว่า หรือว you know ่าทำอะไรก็เป็มแลวเราก็จะต้องไม่เจ็บไม่ป่วยใ่ไม่ท้านไม่มีใครเลยนั่นก็คือเราละสาอย่างเงี้ยเราไม่เราแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือพุทธทาใจเราจะเกิดต้องพุ่งตกันเมจะเป็นในพุกได้นะใช่ไอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกอนเราก็ไม่ทราบเนาะมาในพุทธทใจเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าคุณกุทธใจคนนี้ก็มีทุกทใจถ้าเเคยสังเกตการาไม่้ว่า เรามีอาการทางกายเนี่ยที่ถูกใจกําหนดอยู่หลายอย่างอาทิเช่นนะ้ำฝนแต่ว่าพอเราเห็นาหมางคําเช่นเปรี้ยวอย่างเงี้ยเนาะคือแบนี้ร่างกายก็แบบขับทลายออกมาทันทีอยู่เนี่ยเนาะคือเนี้ยเรื่องที่ใจมากำหนดกายเนี่ยทํางานโดยทํางานเราเครียดเนาะมันก็มีเขาเรียกว่ามีกฎหลากมาในกระเพาะอย่างเงี้ยเนาะก็ทําให้เราเนี่ยแบบนีว่า แต่โรกรเพาะอย่เนียคือเรื่องพวกนั้นนะเมื่อีนี่ยนอนไม่ได้ไม่ทันสังเกตเนาะเพราะเพาที่มันมีปฏิกิริยาทางใจเนี่ยที่ทำให้ฟยน่มีประหาแต่นอนการปฏิกิริยาทางใจตรงนั้นใาก็พุกันเร้ด้วยนะือเนี่ยนั้นคือไม่ใช่เรื่องแค่ทุ่งมันจะอยู่ที่ใจนะยังส่งผลมาทตกายอีกต่างหากเลยเนีเพราะฉะนั้นคือตองนี้ว่นการที่เกิดมีทุกข์กกายที่เกิดแ่จตายอยู่แล้วเป็นปกติเนี ก็ฝากความคิดว่ามีทุกทางใจเนี่ยก็เพิ่มเติมก็เลยอีกนั้นก็คือตรงนีมันป็นสิ่งที่พวะเจ้าบอกว่าถ้าเราสังเกตแบบนีเราสามารถที่จะหาตัวเองเนี่ยออกจากทุกทางใจได้นั่นก็คือตรงนี้ว่าถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันเนี่ยนั่นก็คือตรงนั้นะมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนาะถ้าเราจัดต้นสายปไายเหตุได้เนี่ยการแก้ไขก็จะเป็นเรื่องง่ายเลยนั่นก็คือตรงนี้ว่าใจ่ย เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราทุกข์เพิ่มขึ้นทุกโดยไม่จัดเป็นทุกโดยไม่จะเป็นนั้น่นคือตรงนี้ถ้าเราอยู่นี่สมว่าเทียนก็หนอออกาความคิดนี่แหละที่เป็นตัวต้นเหตุของทุกข์นั่นคืออย่างที่ว่าปนปีความคิดก็ทําให้ร่างกายเราเกิดปฏิกิริยาเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นคือตรงนี้ยถ้าเราสังเกตกันสมว่าเทียนี่จะบอกบอกว่าในนที่เราปฏิบัติทำเขา เมื่อการเคลื่อนไหวเนี่ยให้ใจมารับรู้นะเมื่อการเคลื่อนไหวให้ใจมารับรู้อันนี้เรเป็นหลักการนะที่หลวงพ่อเทีบอกหลวงพ่อเทียนได้บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเถิดไปคิดนะก็กลับมารู้สึกกับการเคลื่อนไหวใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้าเถิดไปคิดก็กลับมารู้สึกการเคลื่อนไหวใหม่อีกครั้งเพราว่าหลวงพ่าเทียเราเรีนรูว่าความคิดเนี่ยเป็นต้นเหตุของทุกข์ถ้าเกิดว่าเราเถอเข้าไปทุกข์เนาะเพราะว่าเราเถิดไปคิดเนี่ยนั่นก็คือเป็นงานทำงานหลั จนแล้เมื่อก่อนเราเข้ามีความรู้สึกว่าเราทุกข์แล้วเราไม่รู้จะหยุดทุกข์ของเราอยัางไรคิดนานคิดอีกคิดนานคิดอีกหลวงพ่อใหญ่บอกอ้ได้เป็นไรนะแต่ไม่คิดกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวเราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาหรือว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่ร่างกายเรามีอยู่แล้วก็ะตายแต่ว่าในสุขภูณียบอกว่าให้กลับมาอยู่การเคลื่อนไหวตรงนี้ก่อนนีนั่นคือตรงนี้ก็เป็นการที่หยุดเนาะสาเหตุของทุกเนี่ยใจก็ไม่ไปเกาะกับเหตุของทุกก็ปัดมา อยู่กับร่างกายคิดเคลื่อนไหมเขาเป็นอยนี้พวกเนี้ความทุกข์ก็ดับมาน้องยนความทุกข์ก็ับไปเราะ่ี่ก็้ือใจที่ไปเกอะอยู่ความทุกข์นเมื่อละตรงนั้นละตเหองกขละเนียปรากฏว่าอ๋อปรากฏว่าไม่เห็นต้องทาอะไรพอกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวก็ได้เองทุกที่เคยอยู่กับจิตใจนะทุกที่เคยเป็นองค์มคูคิดอยู่ก็จบลงตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่ก็ถ้าเราสังเกตนะเความ คิดมันหุดลงนะเมื่อความคิดมันหุดลงเพราะว่าเราตระรู้สึกตัวในช่วงจัหวะแบบนั้นนะเราดีนะมันจะเป็นสิ่งที่เราไม่ว่ารู้หลวงพ่อท่าสก็บอกว่านี่เป็นนิพพานชิดลองเนาะแล้วที่เราชิดนะความนีพทุกนะในช่วงขณะที่จิตใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับการเครืมาของร่างกายใหม่เพราะฉะนั้นคือตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่การปฏิบัติธรรมเราก็ต้องสังเกตเนาะ เมื làm, ่อก่อนทัาง th ันทั nói, đó, đó. À, đây, ้งวันเนี nhà, ng, ng, ng, ng, ng, ng, ่ยเราจะไม่ค th ่อยสังเกตอะไรเราก็เลยว่าเราก็เหมือนกับท่านละไหาไปนั่นก็ปลอไปมันนีนต้องทั้งวนเลยเ่านท่ี่จริงๆนะบางทีก็มีลมเย็นๆนะใช่ไหมอย่างนั้นอะไรต่างๆแต่เราก็ปลอมเลยรวมเลยวันนี้ร้อนๆอะไรตอนนั้นแต่วันนี้ก็คือเวลาตัดตัดทางไกเราจะไม่ปอมเลยเนาะเราจะคองอู่เป็นระยระยอาพี่หรปีนี้เท่านั้นะตรงนี้ก็คนมีเราเห็นที่คิดตรงนี้นะ อยู่การขึ้นมาแล้วตรงนี้นอกใจมันไม่หมดมุ้งคุ้นคิดจจมจะเป็นปกติมาเนี่ยนั่นคือตรงเนี้หนูต้อผู้เจียจก็มาระบุบอกว่าการที่เราก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยความเพียรที่ถูกต้องเนี่ยและความเพียรที่ถูกต้องหรือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องในทางของพ่อผู้เกียจพ่อผู้เกียจจะบอกบอกว่าแค่แค่แบบมรู้สึกตรเนี้ตรงนี้เป็นความเพียรที่ถูกต้องแลหรือว่า เป็นสิ่งที่ทางวิทาศาสตร์บอกว่าวิธีการมัดมัดนะการเปลี่นวิธการปฏิบัติเพื่อให้เรามนทุกเนี่ยวิธีการเนี่เราต้องใจรู้ว่ไม่ต้องทําอะไรมากเกินกว่ากลับมารู้สึกตัวการปรับรู้สึกตัวเนี่ยนี่คือวิธีการทั้งหมดเลยการปรับมามีสติมันนะกับการเคลื่อนไหวทางร่างกายนี่คือทั้งหมดเลยทั้งหมดเพื่อเนงจากว่าในขณะที่ไม่ว่าเราจะ เรียกว่ามีสติอยู่เราก็จะมีพูดไม่เจตมีสติอยู่เราก็จะมีพูดอันใหญ่มีสติอยู่นะเราก็จะทำการทำงานดีเพราะฉะนั้นคือตรงนี้แค่มีสติกลับมามีสติกลับมากรนะครับมารูาา้สึดูเลยก่อตรงนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่ารามเนี่ยจะได้เป็นบนเส้นทางนะที่จะทางนองเนี่ยไปอยู่จุดที่ไม่ผูกเนได้เลยนั่นคือตรงนี้นะสิ่งที่พระอาจารได้สอนมาไว้ว่า เราเนีเร no ียกว่าความเพื่อนเป็นสาวพุทธเนี่ยการที่เราเนี่ยเรียกว่าไม่ทำบาปไม่ฆ่าสัตว์อย่าชินตานานานแบบนี้นะไม่ทำร้า้ใครด้วยใจด้วยตายตานาานะตรงนี้เนี่ยก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าไม่ทำบาปก็จะเกิดขึ้นในเวลาที่เราอั้นใจมีความเพียที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมีคความรู้สึกตัวตรงนี้นการไม่ทำบาปจะกลัวจะเกิดขึ้น การทำกุศลแน่นอนนับของเราบบ่าเร็นมีสติดีนะเราก็ไม่ทำสิ่งที่เป็นอกุศลแน่นอน้เราะว่านั่คือากุศลก็ไม่ได้จะทำให้เราได้ดีขึ้นมาการที่เราบาทีเราก็กลัวตายกลัวตายกันเพราะว่ากลัวตายเราก็กลัวตกน้กกลัวตอนั้เราก็ไม่เห็นานน้องมีสิ่งที่เราเคยทำที่ดีไก็เยอะอย่างเงี้ยเพราะยทำไดีไปเยอะเยาก็เลเราก็มีบาตมีตรรมนะบาตรกรรมชะควรมาในตอนนรก แต่ว่าถ <nessa> <la> ้าเรามีสติซ้ำเราจะทำหอายการด้วยต่ำก็ไม่ดนั่นคือตรงนี้นะว่าเนี่ยการทํากุศลให้ถึงท้องเป็นเรื่องที่เราจะไม่สับไม่ไม่ทำเรื่องที่ไม่เป็นกุศลนะนี่คือถ้าเรามีสติอยู่ก็ยังดีนะการชาระจิตของตนให้ถามรองก็เป็อีกภาระจิตหนึองของชาวพุกที่พระเจ้บอกว่าเราเนี้ยสมควรจะทํากันตรงนี้ก็คือการชาระจิตก็คือการที่จิตเนี่ยตกไปอยู่ในปลักของความคิดเนะ วนเวียนวนเวียนอยู่ไม่ร <problèmes> ู้จะทําัไงดีเพเ่อที่บอกว่ากับมารู้สึกตัวซะตรงนี้จิตก็จะเริ่มจากการจมปลักอยู่กับความคิดก็จะกลับมารู้สึกตัวทันทีเพราะฉะนั้นคือตรงนี้การจมปลักอยู่ก็เหมือนกับการการจมโคลจมตรงนะไปใจบางบัางไปใจแรงบ้างในตำนาน่างๆเหล่านี้ก็เรากลับมามีเรียกว่ามีใจกลับมาอยู่การเคลื่อนไหวตรงนี้เองเ่ยใจที่บางอยู่ใจที่กลุ่มโมยู่ก็หายไปเฉะนั้นคือตรงนี้ พ่อกรมทางทุกเนี่ยที่พุทเจ้าบอกว่าบอกให้วันวิสาขะนู้นเราตั้งแต่พรรษาที่สองตรงเนี้ยนะแล้วนี่แหละก็คือชาวทุกเราเนาะการกบฏการกวงไม่เคนทําการทำกุศลให้ถึงท้องเป็นสิ่งที่ประทับการชาระจิตก็เป็นสิ่งที่ประทํานี่คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของเชาทุกที่ชาวทุกคนทำกันแล้วถ้าเราทำในสามอย่างนี้เนี่ย เราก็จะเป็นชาวทุกธเดินสมบูรณ์ครามชาวทุกธเดินสมบูรณ์คือเราเนี่ยจะพาตัวเองเนี่ยเกิดมาแล้วเราจะพาตัวเองให้เป็นจุดที่คนทุกจุดที่ไม่มีทุกเนี่ยได้เลยเพราะนั้อยู่ตรงเนี้ยสิ่งที่พระเจ้าตรัสสอนสิ่งที่พระเจ้าได้ทําสิ่งที่พระเจ้ามาบอกเน่ยถึงได้อยู่อยู่ดองคงทานมาเป็นสองพกว่าปีนี่ก็ขึ้นพุทธศตวรรษใหม่พุทธศตวรรที่27ของการตรัสสอแล้ว นนคือตรงนี้พวกเราก็เรียมาอืมีวาสนาครับที่จะได้มาเรียนองค์การเขาเรียกว่าได้ปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระเจ้าแล้วก็พวกเราก็จะได้พบว่าความไม่ทุกข์เนี่ยมีจริงๆนะแล้วก็ผู้เส็จผู้เฒ่าบอกว่าเราเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทุกข์แล้วหรือยังเพราะฉะนั้นคือการที่เรารู้สึกตัวครับเรียรู้สึกตัวครับเรียรู้สึกตัวครับเรีย จังหวะของความรู้สึกตัวัอยู่การที่มีสติแบบมาอยู่เลยน่าจะโดนรั้งหนึ่งตรงนี้แหละจะเป็นจังหวะที่เราไม่ถูกถ้าเรารู้สึกตัวเปอยบอลรู้สึกตัวเป็นอรู้สึกตัวเป็นบอลเราก็จะไม่ถูกเพิ่มขึ้นเพิขึ้นเพขึ้นเพขึ้นถ้าสิ่งนี้เราทำจนกระทั่งเป็นนิสัยนิสัยจะมีความรู้สึกตัวกลับมาอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็เรียนว่าความก็เรียนว่าความทุกข์ก็จะมีเวลาน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั่นก็คือตรงนี้เาการที่จะไปถึงมากกว่านี้ผานเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่พวกเราเราเพียรกันพวกเราจะได้เดินบนเส้นทางนี้นนนไปถึงจุดหมายปลายทางที่ผู้ที่จ้างได้ทำให้เห็นครมบาอาจารย์ต่ต่างได้ทาให้เห็นนั่นคือวันนี้ก็ขอให้พวกเราเนี่ยได้พาวความเพียรของพวกเรายไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยการทุกข์อดเแล้วก็ตรงนี้ต้องถึกลาบนิมนต์พระจันโนได้แนะนําพวกเราให้พวกเราได้เรียกว่าปฏิบัติธรรมกัน ไม่ถูกต้องไม่ถูกที่ติดางานกั น, กลนแล้วก็เรียกว่ามีเวาสั้นะะด้วยกลรงหัวครับแล้วแต่องคการเลยนครับมีเก็บเก็บของในผู้ภาดไวยกลาง เดินได้นะแต่มีคุณพ่อจะไม่ได้นะราเดินได้นะเราเดินได้เป็นเป็นขอ้อมเดินมาที่นี่ได้ไม่ต้องนั่งรถเข็นมาไม่ต้องให้ไปรพูมาการเดินเป็นเนะี่ยก็คือเดินไปก็ใจจะมีกับการเดินด้วยแต่บางคนเดินได้เนี่ยเราเดินนาะแต่ใจเราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ อยู่กับนะเรื่องงานอยู่กับเรื่องที่บ้านอยู่กับเรื่องดารานักรอ้ออยู่กับเรื่องเฟบุ๊กอยู่กับเรื่องอะไรต่างๆทาง่านไปรูก็คือว่ามันเดินแต่กายแต่ใจไม่ไเดินด้วยนะใจมันน้องลอยมันฟุ้งซานมันคิดเรื่อยไปนะอันนี้เรียกว่าเราเดินได้แต่เราเดินไม่เป็นคนทั่วไปก็เป็นเช่นนั้นนะเรากินข้าวก็เหมือนกัน การงใจเรากินข้าวแต่ใจเราไม่ได้กินด้วยใจเราไปไหนก็ไม่รู้นะเราครั น, นี้เราฝึกที่พระจันทุกนันบอกว่าให้มีความรู้สึกตัวก็คือว่าให้ใจอยู่กับสิ่งที่ทํานำะก็คือถ้าเราเดินก็ให้ใจอยู่กับสิ่งที่เดินนะอยู่กับกายที่เดินแต่การอยู่ในที่นี้ไม่ใช่เป็นการเจานะเนาะก็แค่รู้สบายๆในใเรา แล้วจะเดินสบายๆเป็นสบายๆยนเดินแค่ข้าเที่ยวที่แบบีได้เนควมสึกตัวที่จริงแล้วโยนเท้าขึ้นเราก็รู้สึกท้าสัสก็รู้สึกไม่ต้องน้าเ็นไปนะเอแบบทาให้รู้สึกว่านางปลอดภัยสบายๆ ปฏิบัติคามบางทีเราคิดพอเราจะปฏิบัต hmm. ิมันจะมีความรู้สึกเหมือนมันมีความตั้งใจมากเกินไปใช่จริงทำสบายๆใช่ไหมแหละยกเท้าขึ้นก็รู้เท้าตบกระโดดก็รู้ร่างกายเองท่านาท่านฝากรู้ก็คือเมื่อกายกายก็เคลื่อน แบบนี้ก็ขอจิตใจเปิดผลคนอยรับรู้คล้ายๆมันมีสองส่วนนะร่างกายกับจิตใจร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจคอยรับรู้อันนี้คื อ, คอสูตของการเคลื่อนตัวติแบบที่สองก็เคียนท่านแน่นะว่าตายเคลื่อนไหวใจคอยรับรู้อันนี้คือเราพยายามรู้แบบนี้บ่อยแต่บางที มันก็มีรู้ต่อเนื่องเนาะบางทีอะไรเปิดคิดไปก็กลับมารู้ใหม่อ่ะเปิดคิดไปก็กลับมารู้ใหม่ลอทงทำแบบนี้แล้วเราจะลองเดินอันนี้ก็เดินมาถึตรงนี้เนาะแล้วก็เดินต่อไปพยายามให้กายเคลื่อนไหวแล้วก็ใจคอยรรู้ในความช้าจนไปเจนสบายสบาย ตักตัวแล้วก็เดินตกไปลองลองเรียก ว, ว่าลองฝึกการการวางกายแบบไหนที่เราวางแบบมีตัวการเคลื่อนแบบไหนเราควรต่อทาที่เกรงเพรานะว่าถ้าเราปฏิบัติทำแล้วเราเกรงเราขี้เนี่ยมันจะปฏิบัติได้ไม่นานนะตับตัว เดนเลยนช้อปิ้งในห้าในใจหลายชั่วโมงยังไม่เหยแต่ถ้าเราเลยจงกลมแบบเครียดๆ20นาทีก็ไม่อยากเลยละดอมเคลื่อนไปสบายๆเป็นธรรมชาติเคื่อนเป็นธรรมชาติแล้วก็อรู้ว่าขาจะเคลือน การรู้สึกตัวนะก็คือมันจะรู้สึกไม่ใช่แค่เฉพาะส่วนไม่ใช่รู้แต่ฝาเท้าไม่ใช่รู้แต่ตอนขาแต่ความรู้สึกตัวไม่ได้เด็นที่ฝ่าเท้าว่าเด่นที่ขาว่าแต่มันก็ยังรู้ส่วนอยู่นะตาก็ยังมองเห็นหูก็ยังได้ยินกายที่นโค้งเราก็รู้ บางครั้งหายใจยเขารู้มันครั้งสติตาเขารู้แต่แต่ตัวเด่นตัวนี้เด่นต่วตาการเดินก่นสูตรนี้นะก็คือให้ใจมีสติอี่ตัวกาเรเดินพอใจ เ, เปิดไปคิดนะกลาม า, ามีสติกับการเดินใหม่เราเอาสอบอย่างเป็นหลักสูตรที่จริงไม่ใช่แต่เพื้อนต้นนะ ให้จะคนเกิดเป็นจุดสิบ ป, ปีก็ยังพัฒนาบบนิยนะมนะเด่นเป็นการเพิ่มสติเพิ่มสมาธิเริ่มต้นถาทำเช่นนี้นะหรือเกมากไปกว่านั้นก็ยังทำเช่นนี้เหมือนกันนะแต่เพีว่าสีิมันพัฒนาก็ถือว่าสติมันพัฒนาเน่นะ สติมันพัฒนามันก็เกิดปัญญาตามมาแต่ก่อนเคยโดดไปคิดนานๆะพอสติตมันพัฒนาเราก็คิดตั้งแค่เดียวมันก็ตามมาได้แต่ก่อนนะเห็นเห็นตายเนี่ยก็คือตายเรากนะายชั้นกายปูต่อไปมันเกิดปัญญามันก็เห็นว่าตายก็ตัดแต่ว่าตาย กายแต่แต่ว่า้าไม่ใช่กายไฟเราจะนิ่ีๆแล้วก็โยกๆมีจิตจับการเรื่อยๆเรื่อยหนักตเราสังเกตต้นเกินไปตัวพอไหมบางบางหลายตาเช่นใบก็ดีถ้าเกิน แบบไหนนะีาสัมผัสไทยหรือบางทีทงรเราสัเกตได้ไอ้บล็อกแรกไปคิดไปดูตื่นมากไหกลับมานะอันนี้ก็เป็นการหลงไปกันหลงไปคิดหลงไปดูกลับมานะอยู่กับตัวเองพอคนบล็อกแรกไปดูนั่นดูนี้กลับมามีสติ ไม่ต้องเดินแบบคนเดือกตับตัวเส้นเดียวไม่ไม่ไม่ไม่เดินับตัวขับเสือแล้วก็รอคนด้านหลังแล้วก็เดืนให้มันตรงๆแต่อ็แค่ถ้าเรามีสติเนี่ยเนี่ยปวต้องมันจะเกิดความรู้สึกตัวชั่วค้อน คือมันจะรู้กายท่านกายโดยที่สภาวะที่มันเหมือนจิตนะมันมันเห็นมันเห็นกายกายก็ส่วนเนื้อที่มันเคลื่อนไหวแสดงท่าทางจิตใจมันอาจจะไม่มีที่ตั้ง น, นะแต่เห็นว่าแต่มันรู้และเห็นคาเป็นไปที่เกิดขึ้นกับกายแค่ทุกอย่างเลยนะ บางครั้งก็อยาวบางครั้งก็ความการบางครั้งก็ละเอียดแต่การรู้นี้ไม้เป็นการไปค้าเป็นจ้องหรือว่าเปหาหารายละเอียดนแต่มันเกิดการรู้ของตนเองึ่เราก็อบรับไม่ได้นะแต่ที่มันเป็นของมันเองเชนั้นเรารู้สึกกลัวอะไ่างไรพระมันมันมีจิตละเองย นะเราไม่ต้องไปประเมินกับคนอื่ออนเะราแค่กลับมาดูตัวเองเป็ไนไหวก็พอครับนะบางครั้งก็เห็นยาบางครั้งก็เห็นท่าเดียวบางครั้งก็รู้สึกชัดบางครั้งก็รู้สึกไม่ชัดนะรู้อย่างที่เขาเป็นนะั่นะแหละะเราก็ยอมรับแค่ตัวแั้นก่อ น, แ, น, อนแล้วก็วางนะแค่พอถูกเหมือนกันดีเหมือนกัน ทำไมการ เ, รรเดินจุดโกงเอียร็ต้องมีจุดตับตัวการ ม, มีจุดกับตัวเพื่อบางครั้งะที่เราเูในข้างหน้าากติเนี่ยเราเยคิดบาั้งก็คิดยาวไปบาควาอมจุดกับตัวตอนนี้เราก็จะลูไล้ได่ดแล้วเนถะิดมันถึงจุดที่ตับแล้วเนะเราิกมันก็ตัดออกไป มันจะไช่วยเรียกว่าเรียบตติกลับมาจากความคิดถ้าเวลาเราหยุดกินนิดนึงกาจเดินต่อถ้าเกิดคนคล้องแล้วก็เดินต่อก็ได้เหมถ้าใช้ขับตัวก็รู้สึกแล้วก็เดินต่อเคลื่อนที่ได้เลยอันนี้บางทีถ้าเราฝึกเองนะก็เืดินแบบนีน้หรือว่าถ้าเรา ต้เดินแก่์ไกในชีวิตประจำวันเราก็อาจจะฝึกมารู้สึกตัวแหวนอึดเท่น้อยนะครับฝึกความนะครับความไม่ว่ารู้สึกกับการยืนแบบเดินต่อก็ได้ถ้าเราก็เดินเกยไกในชีวิตเราไม่เดินแบบตัวเตี้ยแบบพักมันึ่งแล้วจุยืนหายใจเข้าหนได้ออกรู้สึกตัวแล้วเดินต่อก็ได้ เราอยจะฝึกในรูปแบบนั้นนะ ถ้าเดินยาวคนใส่ได้เดินสิบห้าหก้านะก็มันอีเลยคิดุงขานันะแต่นอกจากบางคนเดินท่านๆมาเครียดก็เดิาาา ย, าเดยาวไปเปลนะนะี่ยนบรรยากาศบ้างก็ได้หรือบางคนเออพอแตกระดียละก็เดินยาวก็ไม่ได้เป็นไรหรอกมันก็กลับมาเดินข้าวสองข้านก็กลับมาิ เ, อ, าาเองนะแล้ก็ไม่เปไรนะเดินยาวก็ได้ น่าเป็นธมมารู้ตัวว่าเดินปอนการรู้ตัวว่าเดินไม่ใช่การคิดในใจว่าแท่ลังเนะแค่รู้สึกีตายเพื่ออันนี้คือการไม่ว่ารู้ตัวนะบางคนไปย้ำคิดว่าตัวเองแั้นกลัเดินแั้นกำลหายใจแั้นตลความนัานี้่่นการรู้ตัวจริงการรู้ส่ปัสสาการคิด จาิกิราคำพูดรู้สึกเหมือนกับเราเห็นคนอื่นเขาทำเหมือนเราดูคนอื่นเขาเดินเหเราดูคนอื่นเขคิดแต่ในว่าเทคนิคที่ดูเนี่ยมันความหลงมันในทางที่เขาเป็นของเราอยู่แต่ถ้าเกิดความรู้สึกจริงนะมันจะเห็นว่าทายที่เดินเนี่ยมันก็ตัดแต่ว่าทาย มันไม่มันไม่บอกว่าตายเราเลยแต่มันแค่รู้สึกว่าตายก็เจอรูปเพื่อนพยายามของความรู้สึกเราเนอ่ยแต่ถ้ายัางคิดว่สั้นเลยท่านนั่งนี่อันนี้ยังมีส่วนลน อ, อยูน่นะพยายามมองว่าเห็นเห็นตายที่เขาเพื่อนนะมันเป็นส่วนใจที่รู้มันเป็นส่วนรั ก, าก่า มันฝึกการแยกแ ย, แยนะนอันนี้นไมว่าเป็นการฝึกนีก่ภารนา อย่า <Yeah. S 2> <laughs> อย่นี้ปรับพี่ใจเนี่ยไม่ได้เป็นเาที่้าเราตัวเกินไปเราเือยบทีเราเรียเดินไปต้องปรับพี่ใจสังเกตดวงใจสังเกตใจเราบางทีเกิดน้ก็อาจจะไม่เินย่างท้าก็อาจจะามดูลงหายใจก็ได้แล้วแต่เรา เดินมาตะบลาดตัวเขาติดนะฮะเดินข้างหน้าตติดแไม่ปวดตับนามากปวดเทวรัฐมันก็ติดธรรมชาติของมนุษย์เราแต่เราเพียแค่เอาเป็นเตะไทยรูปแบบเพื่อให้มันเกิดความตั้งใจเกิอามาีิมากขึ้นเล็กน้อย เราจับมือที่เราเกาหน้าหัวแค่รึกเรงเครียแล้วก er ็เปลี่ยนท่าเลยนะแต่ถ้าันจับข้างหน้ามันวนเดนึอเรียดก็เลยธรรมดาแต่บาคนปล่อยแขแล้วก็ดินตรงยิงเก่งกว่าการจับแขนที่มีนะจับสบายกว่าลองดูที่ด้านในที่มัน แต่คนที่เกียดที่ค้งคนไม่ไ้เปมีนายกบุดแค่มีกาหนดมาตรฐานก็ดีแนวจะตามใ่ที่เด็แต่อย่าแต่ต้องแบบประมาณแบบให้พอเดีตัวเองเแนบบี่าให้มันแบบไไตั้งแบบคล้าตั้งเป้าสู่เปินไปรัฐธรรไม่ได้ที่เกิดความเสียใจเกิดความขอแทต้องเร็ น, นเป้เปเปเปาที่สามารําได้จริง แต่ก็ไม่ได้เฝ้าท่หน้าเดินไปเดินไปมาขึ้นชัมองนะหลัากเขาจไปขับไ ป, ไปที่นั่งนะขับเป็นาดที่นั่งปฏิบัติของเราแต่ถ้าใครใครยังไม่เคยฝึกการเจอปฏิกิติยารองก็เตียนก็เข้ามาข้างหน้าเลยนะนยเราจะมาแนะนำการ ตามใจบ่าตามตนไ้นึงถ้าใครเคยตื่นแล้วก็อ่าอ่าที่อ่าที่นั่งเชือ่อมโยงใจบ่าธรารมดา แล้วแต่นะแล้วแต่นั่งแบบไหสบายแต่แตถ้ารเาพลียก็อาจจะคุกว่านิดหนึ่งอาจจดังมันจะได้แบบดตรงๆนะวิธีวิธีนี้ก็ไม่ต่างจากการเดินแต่พิจารณาว่าเป็นเป็นมือเดินแทน ม, มือเคลื่อนแทนนะพิจารณาว่ามือมือเคลื่อนแล้วก็ใจคอยรู้สึกกับการเคลื่อนของมืออ่าก็คือใจอยู่กับสิ่งที่ ที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาในะแบบเนี้ยแต่คราวนี้มันก็อาจจะมีมีรูปแบบมีท่าทางบ้างแต่ก็รูปแบบท่าทางเคพื่อนนี่มันใช่บางทีเราเพื่อนแบบแบบนี้แบบธรรมดาทางนั้นบางทีเพื่อนเราก็ไม่เคยรู้ตัวเราก็เลยมีการเคลื่อนแล้วก็รู้สึกตัวถ้าใครยังไม่เคยปฏิบัติมาข้างหน้าจะแน่นอน มือวางวที่หัวเข่านะนาตามองมองข้างหน้าสบายๆแต่ไม่แต่ไม่จ้องที่ตรงไหนตรงหนึ่งแต่ไม่ไ ม, ไ ม, ไมีที่จ้องที่ไหนมองแบบผันผ่านเห็นแต่ครนนี้ก็ไม่ให้แบบไม่ใช่แบบพยายามทําตาให้เบลอเบลอไม่ใช่แบบพยายามจะมองให้ทุกอย่างเบลอเบลอนะมองธรรมดามองธรรมดา เห็นแต่พิมพว่าใจเราไม่สนใจในสิ่งที่เห็นแต่ใจเราจะคอยสนใจการเคลื่อนไหวของร่างกายก็คือการเคลื่อนไหวตรงนมืนะอหายใจธรรมดาเนาะกระพิกมือขวา ต, ตั้งไวนะ้รู้สึกตัวนะตั้งตั้งไว้ธรรมดานะรู้สึกตัวอยู่ที่หนึง่งยกขึ้นก็รู้สึกตัววางไวที่หน้าท้องรู้สึกตัวรู้สึกก็คือว่ารู้สึกถึงการเคลื่อน คลิกมือซ้ายรู้สึกยกขึ้นมาก็รู้สึกวางครับมือขวารู้สึกมือขวาเลื่อนขึ้นมาก็รู้สึกตัวย่อข้างๆรู้สึกตัวตั้งลงหัวเข่ารู้สึกตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนนะแล้วก็ค่้องรู้สึกมือซ้ายเลื่อนขึ้นย่อข้างๆวางลงหัวเข่า ข้อมือขวาดูยกขึ้นมาดูวางไว้ที่ท้องปิดมือซ้ายดูยกขึ้นดูบางทับมือขวามือขวาเลืนขึ้นดูเสร็สยอ ง, องข้างดูตั้งลงมือซ้ายเลื่อ น, น, น, นขึ้นยกข้างข้างตั้งลมของเขา่าข้อมือ มันเป็นท่ามันเป็น14จังหวัดมันมีการเคลื่อนแล้วก็หยุดแต่ใหม่ๆมาอาจจะแนะนําอยากให้ตอนตอนตัวบายุดไม่ต้องไปรู้สึกมากแค่รู้สึกถึงการเคลื่อนแต่ละครั้งแต่ให้มีจังหวะหยุดนิดนึงแต่ถ้าเราแบบเคลื่อนยาวต่อไปบางทีมันตัวรู้มันจะไม่ชัดไม่รู้มันรู้ตอนไหนแต่คร น, นี้เราจะรู้หนึ่งสองสามมันจะรู้เป็นขณะรู้เป็นขณะไปเลยแต่ครั้นี้เราไม่ต้องไปนับในใจ เราแค่ดู้ว่ามมันเคลื่อนท่านี้มันเคลื่อนท่านี้มันเคลื่อนท่านี้แต่การท่านี้ก็ไม่ใช่หรอเราพูดนะอันนี้คือสมมติใจมันเคลื่อนมันเคลื่อนไปเรื่อยนะให้ใจให้ใจเรามีการเคลื่อนไหวเป็นคล้ายๆเป็นกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่อืมพอใจบางทีใจเรามันจะเหมือนคล้ายๆเหมือนเด็กอะ่ะเด็กเล็กๆบางทีพ่อจะป้อน หรือแม่จะป้อนข้าวนะเอาจับมานั่งจะป้อนข้าวต่อไปมันกินแล้วครั้นี้มันก็หนีไปเล่นใหม่เคยไหมสังเกตมันะเด็กหรือว่าลูกเราบางทีเราจับป้อนข้าวคํานึงมันได้กินนัดมันก็หนีไปใหม่เราก็ต้องจับมันมาใหม่มาป้อนใหม่มันกินแล้วมันก็ไปใหม่อีกละจิตเราก็เหมือนกันนะมันรู้ตัวครั้นี้มันก็จะเปิดไปคิดใหม่การสร้างสติการมีกับเครื่องอยู่นะก็จะให้มันกลับมากลับมาใหม่บ่อย อลองไหมบางทีก็บังทีมันฟุ้งซ่านมากๆหเหรือเครียดมากๆก็ลองตั้งค่าใหม่เลยผิดไม่เป็นไรนะผิดท่าไม่เป็นไรนะไม่ต้องกลัวผิดรู้ทำสบายๆนะยกให้ผ่อนคลายนะยกให้มันผ่อนคลายรู้สึกสบาย พอมันคิดไปแล้วก็กลับมารู้ตรงนี้แต่การรู้ไม่ใช่เป็นการจ้องที่มือที่แขนนะมือแขนก็เคลื่อนไปใจก็รู้ไปไม่ต้องไปจ้องมันเผลอไปบ้างก็ไม่เป็นไรเผลอแล้วก็กลับมาใหม่หายใจให้สบายๆลองตั้งแบบนี้ ไม่ต้องทำตามพร้อมจะมากะได้ลองดูจังหวัดในข้อดีของเราไม่ช้าไม่เร็วเกินไปไม่ต้องหลับตานะรู้เป็นขนาที่เคลื่อนแต่ละครั้งก็ดูทีละครั้งอันนี้เรียกว่ามีสมาธิมีสตินะ สมาธิคือใจเราตั้งมั่นกับสิ่งที่ทําบล็อกแบกไปก็กลับมาใหม่การที่เราดูว่าบล็อกแบกไปก็คือมีสติมันก็จะกลับมาใหม่การที่เรากำลังยกมือตร้างจังหวะอยู่แล้วก็ใจมันรู้ตัวอยู่ตรงนี้เรียกว่ามีสมาธิมีสมาธิแล้วถ้าเราฝึจากจนกรท่านเห็นว่า ไอ้ที่ยกมือเนี่ยมันไม่ใช่เราหรือไอ้ที่มันคิดก็ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่รูปมันเป็นเพียงแค่นามอันนั้นเรียกว่ามีปัญญาแต่มาเริ่มต้นจากเนี่ยให้ใจมีสติรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่คิดนึกนี่แหละมันจะทําให้เรามีทั้งสติสมาธิแล้วก็ปัญญา อันนี้วางทุกอย่างเลยนะไม่แต่คําพูดของอาตมาไม่ต้องสนใจธรรมะที่เคยอ่านที่เคยฟังก็วางไว้เลยไม่ต้องมาเป็นเวลาใข้ ค, คว้นคิดเป็นเวลาเพียงแค่เราวิสติรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ทันใจที่คิดเผลอไปนะก็คือกลับมารู้สึกตัวรู้สึกใจนั่นะ ทำสบ า, ายๆเรียบๆทำผ่อนคลายดีเพนะื่อนผ่อนคลายโดงเก่งไปไหนนะเก่งไปไหนแบบนี้เป็นธรรมดาเพื่อนธรรมดา ลองดูว่าแขนเราเก่งไหมตาเราเก่งไห เ, เกง่เกงเป็นไหนการรู้ตัวไม่ต้องไปกำหนดไปนับนะับไม่ต้องนับไม่ต้องพูดในใจไม่ต้องกลัวหลงไม่ต้องไปอาจใส่การนับช่วยให้มันไม่หลงนะ มันหลงไปแล้วเราก็รู้ตัวว่าหลงไปนะอันนั้นก็เรียกว่ามีสติเหมือนกันนะนะไม่ได้ผิดนะมันไม่หลงเราก็รู้ว่ามันไม่หลงนะคลายเคลื่อนไหวร่างกายคล่องหรือว่าผ่อนคลายแต่แล้วก็บางครั้งก็สังเกตจิตใจเราด้วยว่ามันมันตั้งใจเกินไปไหมมันมันคอยจ้องที่จะรู้ มากเกินไปไหมบางทีเราก็จ้องดูตาไม่กระพิบนะบางทีเราก็ใจเราก็เหมือนแบบไม่ไม่ให้มันคาดสายตาเลยมาถึงใจคอยจ้องตลอดมันก็เกิดความเครียดนะสังเกต ด, ดูวนะสังเกต ด, ดูแล้วก็ผ่อนคล า, ายตัวเองหรือบางคนคอยไปดับดูความคิด พยายามจ้องหรือว่าคอยเรียกว่าตั้งท่าถ้ามันคิดปุ๊บเราจะตกมันกลับทันทีนั้นก็เป็นการจ้องเกินไปนสังเกตเลยแล้วแค่กายเคลื่อนใจรู้นะพอมันคิดนั่นก็ไปก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้ทันว่ามันคิดไม่ต้องไปจ้องก่อนนะมันเกิดขึ้นก่อนล้วก็ค่อยรู้ สังเกตดูบางทีมันก็ฟังเข้าใจแต่บางทีเราก็เผล อ, อไปก็กลับมาใหม่แล้วมันซึมเอเอแล้วก็อาจจะเคลื่อนให้มันกระจับกระเฉงขึ้นนะบางคนทำแล้วมันซึมเกินไปก็เคลื่อนไหวกระจับกระเฉงนะเคลื่อนเร็วขึ้นได้นะ มัดกแมงบ้างนะบางครั้งถ้าคอเราปวดเมื่อยแล้วก็อาจจะเอียงซ้ายเอียงขวาก็าได้นะนะไม่ใช่ต้องเบ็คเกร็งตลอดบล็อกคอตลอดนะบางครั้งมันก้มเกินไปแล้วก็เมื่อยขึ้น สายตาจะต่ำลงนิดนึงก็ได้หรือจะตรงๆก็ได้บางคนนั่งไปแล้วก็หลังนอก็ยืดขึ้น หรือบางทีเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นนั่งแบบนี้ก็ได้นั่งแบบตื่นนั่งตื่นยืนอะรนั่งเหมือนแบวัดเนี่ยหรือถ้าคนมีปัญหาวดข้อนัก็ได้ได้ัทลัม่เป็นเปลี่ยนบ้างแต่แต่ไม่ใช่แบบเปลี่ยนเร็ววแบบนั่งถ้านี้ ตอามนาทีห้านาทีก็เปลี่ยนนะนะเยียามสร้างการเชื่อนไหวเชืต่อไปเรื่อยแล้วก็เราจะได้มีปฏิรูปตัวไปด้วยวก็คือเจ้านะท่าน สอนเราตรงมากๆากเลยนะการวิชาคือความที่เราไม่รู้ความจริงหรือเรารู้ไม่จริงนี่แหละไอ้ที่เรารู้ไม่จริงแล้วมันทำให้ชีวิตนี้มันเนียอว่ามันหลงอี่อกับโรคนะอยู่ตั้งไป ก็คือความจริงที่ว่ากายนี้ใจนี้ไม่ได้เราไม่มีตัวไม่มีตนไม่ได้ของเราเนี่ยแไอที่เราอเห็นมันไม่จริงดูมไม่จริงพุทธเจ้าเลยสอนให้เรากลับมาดูเลยว่าไอกาใดที่เราคิดว่าเป็นเราก็าเป็นของเราที่เราอยากให้มันสุข อ, อยากให้มันสบายเนะี่ย ดูสิดูดีๆเกไหมหน้ามันก็เห็นได้ว่ามันทุกข์มันเจ็บมันปวดมันเมื่อยอันนี้นะถ้าเราเห็นว่ากายมันทุกข์เราจะยึดทุกข์นี้เป็นของเราไหมดูนะกายมันแสดงความทุกข์มันแสดงโรคภัยแสดง ความแก่ความเจ็บความตายนี่คุอก็แสดงความจริงถ้าเราเห็นมันจริงๆแล้วก็ลอาถามตัวเองดูดีที่มัน ท, ทุกคนเนะี้ยเราอยากจะยึดมันไปนะเราอยากจะเอาไอ้นี้เป็นของเราต่อไปไหมแนคะ่ท่านสอนแค่เห็นน ะ, นะที่จริงความทุกคนไม่แค่แค่เกิดแก่เจ็บตายนะ หายใจเข้าสบายถ้าจะหายใจเข้าตลอดมันก็ไม่ได้ก็ต้องหายใจออกไปถ้าหายใจเข้าอย่างเดียวมันไม่สบายหรอกนะทุกอย่างนะมันก็เป็นแบบเนี้ยลองดูสังเกตั้นต่อให้เราเห็นา ก, กายกลับมาดูกายบางคนจะจะเห็นความเป็นฟุกก็เลยว่างการดิ้นรนตื่นตั้งแในทายนี้ บางคนอาจจะเห็นทิ่งมันไม่เที่ยง ม, มันไม่ใช่ตัวตนบรงคับทางทายไม่ได้ก็าจะคกายความยิ้มนั่นหรือไม่เพราะว่าแต่ก่อนเคยบรงคับาดไปให้เป็นตามสาั่งบรงคับได้ดีใจบังคับไม่ได้เสีกใจแต่พอเราดูอย่างความเป็นจริงแล้วที่บังคับได้เนาะตัวบังคับไม่ได้ มันงครับได้ เ, เพราะว่าทำถูกละเอียอดัูดกใจเราตอนดูนดูตรงนะี้เลยดีกว่า กายดูใจของัเอง ที่ดังเคยปฏิบัติไห ม, ไมเคยมาที่นี่คแล้วคุณพ่อแม่หรือป่าค่ะแพ่อแม่เคยปฏิบัติไหมเยทำไมไม่สอนนะอายใจนี่ะคดูเห็นเห็นหรือเปล่านั่งข้ า, ข า, า, างหน้าก็งไม่ไหี่ค่ะ นี่มันแจ้งตุง้มไปตอนนี้ไปตอนนั้นเลย ใจอยู่ต่างหากนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาใจไปอยู่กับมือเพราะไม่งั้นสมมุติถ้าเปรียบเหมือนไปสื่อใจถ้าถ้าใจเราไปตลอดกับมือเนี่ยบางทีถ้ามือเราเมื่อยใจเราก็จะพลอยเมื่อยไปด้วยแต่ถ้าใจอยู่ต่างหากสมมติใจมันก็มื อ, อมันก็เคลื่อนไปมันก็ใจก็จะเป็นปกติธรรมดาเลยมันแต่มันก็จะเห็นแบบนี้ ถ้าแบบนี้มันจะมันจะเป็นการการดูการดูมันจะเป็นวิปัสนาแต่ถ้าแต่ถ้ามันไปตามเรื่อยๆมันเป็นสรรมถะเช่นแต่ถ้าถ้าเราเคลื่อนเปบ่อยแล้วใจเราอยู่กับการเคลื่อนกระดดลยนะมันจะเกิดความนิ่งขึ้นมาแล้วท่านใจเราติดที่ความนิ่งมันก็จะเป็นแค่คอาสมมติธรรมดาแต่ถ้าเราดู บางครั้งสงบบ้างบางครั้งไม่สงบบ้างแต่แต่ตัวเนี้ยมันมันเป็นปกติของมัะไอตัวที่มันเกิดขึ้นเมื่อเทียนเนี่ยเดี๋ยวมันก็สบายเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวใจก็คิดเดี๋ยวใจก็ไม่คิดแต่ใจที่จริงแล้วมันเป็นปกติธรรมดาเราฝึกให้มันใจเนั้นกลับมาเป็นแบบนี้แต่เวลาปฏิบัติบางทีล้วก็จะบางทีเราก็ดูแต่บางทีเราก็จะเผิดเป็ดไปหยิบไปจ้องพอเรารู้ตัวใหม่แล้วก็ มันจะออกไปเพื่อดูแต่คนเราปกติใจมันจะมันจะไม่ดูตรงนี้เลยใจมันจะไปสนใจที่ที่คนอื่นบางทีก็เป็นสนใจความคิดของตัวเองตลอดใจมันไม่อยู่ที่ความคิดเพราะนั้นใจเราฝึกแรกๆให้มันเห็นกายที่มันเคลื่อนไหวหยับหยาต่อไป หายใจเข้าหายใจออกก็จะเห็นเปลนผิดตาก็จะเห็นปวดเมื่อยเราก็จะเห็นได้ว่าความปวดเนี่ยแต่ก่อนเขา่าเราไม่ปวดนั่งไปแล้วพักมอนปวดใช่ไหมแต่ก่อนห ล, ลังเราไม่ปวดนั่งไปถักลัง ม, มันปวดแปลว่าเราดังกับความปวดในความส่วนนั้นมันเข้ามาแท้ใจแต่ก่อนก็ธรรมดาไม่คิดเรามาความคิดมันเข้ามาแทรก Okay. มันจะแยกแยะขวาเป็นตัวเป็นตนของเรามันก็เหมือนครับเจ้าสอนเรื่องรถอะไรที่เรียกว่ า, ดลดลารถล้อรถต่างตนมะไรล่ะเกียร์ต่างเบาะนั่งครตรงไหนที่ขี่รถเราจะมาขี้ได้อันนี้คือบอกอันนี้คือล้ออันนี้คือโครงอะไรอันนี้คือต้งอะไรมันประกอบกันเราก็หลบว่าที่ประกอบกันเนี่ยคือว่าเรา เป็นไงบ้างโยมได้ไใจคิดบ็อกแวกไปที่อื่นยังไปไหมไปกลับมาไนะมียบไปไม่เป็นไรธรรมดาแต่ไปแล้วรากลับมาไนดะ้โยมเป็นไงใ้าไปไม่เป็นไร ใครที่บอกว่าใจไม่ไปเนี่ยแสดงว่าจิตมันติดรรมาธาิเกนไปมันไปไม่เป็นไรนไปแล้ ว, ลวกลับมา <Okay. S 1> เพราะว่าที่จริงคนเรามันไปมันไปมันไปเตลิดอะ่ะไปจะไหมคิดจบไปเรื่องสองเรื่องตามเรื่องไม่รู้กี่นาทีไม่รู้ตัวว่ากําลังทําอะไรแต่เราคิดไปกลับมาคิดไปกลับมาไม่เป็ธรรมดานะ แต่การที่เรากลับมาได้เนี่ยต้องมีสติอาจจะเรารู้ตัวเกิดไปหรือต้องมีสติเหมือนกันอันนั้นถ้าฝึกแบบนี้เราจะเห็นความคิดมันเป็นสาเหตุของความปุก๊บสติของความหลงแต่เราก็ไม่เกลียดความคิดนะมันอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นสาเหตุแต่เราก็ไม่รู้สึกว่าต้องไปจัดการเราแค่กลับมาเฉย ไม่ไดังเกลียดเขามันเหมือนการแคทยแบบแบบตะบันต่อแบบโบราณจริงๆคือไม่ได้เป็นเน้นจัดการที่เชื้อโรคที่โรคภัยเกิดแต่เน้นทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเพอร่าะการเราแข็งแร ง, ร ง, รรแแรงโรคภัยภเก็บมันมันออกกำลังมันหายไปเองมันเน้นที่อนะไมันไม่เน้นที่กิเลสใมเน้นที่ความโหลงแต่เรามาเน้นตามความรู้ตัวเอง เราก็ตื่นกันเกือบครึ่นเช้าเนี่ยการการสร้างการเคลื่อนไหวในท้าเหล่านี้เพื่ออะไรเพราะว่าทั้งวันแต่ตื่นจะหลับเอามีใครเคลื่อนไหวตัวจะ่ปอกมือเนี่ยเคลื่อนไหวทํางานต่างๆเยอะๆมากมายนะลองดูถ้าเราไม่มีมือนะชีวิตเราจะลำบากขนาดไหน้ยมีมือเนี่ยดีมากแล้วนะแต่เราไม่ใส่ใจ นะเราพอเรารู้สึกการเคลื่อนไหว14ท่าต่อไปจะเคลื่อนไหวหยิบจับอาบน้ําอันพักล้างจานกินข้า ว, า ก, าวก็คือกายที่เคลื่อนไหวมือที่เคลื่อนไหวมันจะรู้เองนะมันจะรู้ของมันเองปากที่เชี้ยวรู้ของมันเองตาที่กะพิดมันรู้ของมันเองนะแล้วต่อไปอารมณ์นะ อารมณความคิดที่มันเกิดขึ้นเราก็จะรู้เท่าทาันะคือเราไม่ใ่แค่รู้แค่กายนะอนะ่ต่อไปมันจะพัฒนาความสุขความทุกขความคิดที่มันเกิดขึ้นเราห้ามไม่ได้นะเราห้ามไปอื่นด่าแล้วไม่ได้แต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะโกรธต่อดา่าต่อนะแต่ถ้ามีสติก็ตัดการตัดนี้มันเหมือนคล้ายๆเหมือนมันตัดเยื่อยใยไม่ใช่เป็นกัน การโผลเนี่ยมันเหมือนคล้ายๆน้ำเบื่อนะเราเอาฝาปิดปิดเนี่ยมันก็จะคอยติดตัเปลือกตัวเปลือกตัวเปลือกแต่การตัดเนี่ยมันจะปิดแก้งนะมันจะ้ายๆมันตัดตัดที่เชื้อตัดที่เชื้อแต่การกผล่เนี่ยมันไม่ได้ตัดที่เชื้อมันมันปิดมันปิดกั้นการกระเหยออกอารมก่อนแต่การตัดเนี่ยมันมันตัดที่เชื้อะ เนี่ยเราก็ลองสังเกตดูนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็เราก็ไปทานอาหารป็นก่อนรับทานรองสังเกตดูบองทีการทานอาหารเนี่ยนะท่านอกว่าเป็นเป็นเวลาที่เหมาะในการฝึกว่า <c oughs> เราทานอาหารวันละสามมื้อเนี่ยมื้อละสิบห้านาทียี่สนาทีเนี่ยก็าเรามีสตินะเราจะเห็นการเห็นกายเขาเคี้ยวข้าว เ, เห็นใจที่มัน ชอบไม่ชอบอร่อยไม่อรอ่อยที่มันเกิดขึ้นกับอาหารที่เรารับประทานหรือที่จรินนะไม่แต่ตอนต่อไปเดินดูนั่ก็รู้แล้วมันจะเห็นอันนี้อยากยากินอันนี้มันอยากยากินอันนี้ธรรมดาแต่ก็ไม่ใช่เราติดธรรมดานะเพราะว่ามันจะเห็นว่าสัญญาเรามีอะไรเช่นสัญญาเราเห็นผลไม้เราอยากยากิน พัญญาเราเห็นเนี้อไม่อยากกินมันปัญญาที่เราให้ค่าแตกต่างกันก็สังเกตแล้วไม่ได้จิตนะแต่ก็เออมันด้เห็นตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาเป็นตัวเราแต่จริงตัวเราเนไปติตัวเราตอนนี้มันจะแตกต่างกันไม่ไมันเห็นในตัวตนไม่ไม่ใช่ตความแน่นอนสังเกตดูแต่จริงก็กลับมาเห็นอารมณ์ในปัจจุบันนี่ววนแหละะทานอาหาร เห็นกายาเห็นเป็นกิริยากายยุ่งเคลื่อนไหวเป็นกิริยาเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับใจมีความชอบมีความไม่ชอบมีความสุขมีความทุกข์หรือื่อมีความคิดเกิดขึ้ น, นให้เรารู้ทันเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ได้ฝูกนะบางทีมันก็กินไปคิดไปพื่อเกือ่อหมดจานได้แต่อาหารกาย แ ต, แต่ใจไม่ได้เปิดความรู้ตัวเนี่ยนะอันนั้นก็เรียกว่ากินได้นะต่กินไม่เป็นนะกินเป็นเนี่ยหลายอย่างนะกินเป็นเนี่ยมีสติรู้สึกกับการที่เราเราเคี้ยวรู้สึกกับรสชาตที่เกิดขึ้นหรือนะกินเป็นอีกอย่างหนึ่งรู้ว่าอาหารอะไรเป็นประโยชน์อาหารอะไรเป็นโทษนะ ต้องเป็นการกินเป็นแบบเมือนกันน ะ, นะอันนั้นเขาเน้นที่ประโยชน์หรือก็โทษนะแต่เราไปเลือกตั อ, อาหารที่มันเป็นประโยชน์นถ้าเลือกที่มีของเป็นประโยชน์หมดนั่นแหละนะแล้วก็แต่ก็ต้องเลือกอาหารที่ ป, ประโยชน์อย่างเดียวไม่พอนั้นมันเป็นประโยชน์แต่กายนะแต่ประโยชน์ของใจนะ มันก็เกิดจากการที่กินอย่างมีสตินะกินอย่างมีสติตอนได้ประโยชน์ใจก็คือรู้ตัวนะรู้ตัวสิ่ที่ที่กินแต่มื่อกีเห็นนะหาะดีขนานไหนก็กลายเป็นอะไร <c oughs> นะั่นก็กลของไม่เปิดไมงามทั้งหมดนั้นนะนะเราไม่ได้กินเพื่อประดับตกแต่งอะไรนะเรากินเพื่อท้องแซมแล้วก็ขับถ่ายออกมา เเป็นธรรมดามากถ้าเราเห็นเช่นนี้นะกินอะไรก็ไม่ค่อยอต่างกันอะไรหรอกนะมันก็แค่กินเพื่อความอยู่ได้ของการนี้หรือกินเพื่อนั่นวะ่ารักษาสุขภาพให้ได้มีชีวิตได้ทำประโยชน์คําคุณงามความดีได้ปฏิบัติทำต่อไปก็แค่นะั้นถ้ากินแบบนี้ได้นะมันจะไม่ต้องจีบรสชาติของอาหารนะไม่จิดอพคาะความอยากของอาหาร มันเห็นแล้วกินไปเพื่ออยู่จริงๆไม่ได้อยู่เพื่อร้านนั้นอร่อยร้านนี้อร่อ ย, ออ ย, ออยชิ้นนั้นชิ้นนี้เป็นยังไงกัน อ, อันนี้เราลองดูอันนี้ก็เป็นการตึกอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเรามีเหตุปัจจัยต้องไปเส้ทานอาหารอร่อยเราก็รู้สึกว่าม น, านอร่อยไม่ใช่อร่อยแล้วก็รู้สึกโมจิบอกมันไม่อร่อยก็ไม่ใช่นักในการเตะแต้ง เรต้องรู้ความรู้สึกของตัวเองตามําเป็นจริงนั่นแหละนะก็บโมงขึ้นก็ดี้วก็ถ้าใครว่างตอนบายก็ก่อนบายโมงก็มาดูการขอนะเราการักการ